ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราธิรศิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาครจนาต่อไปจากพนาณาในข้อที่สี่ชื่อว่ากาลิกะบัพพะว่าด้วยกาลิก ข, ของประกอบด้วยการกาลิก มีสี่อย่างคือยาวการิกหนึ่งยามะการิกหนึ่งสัตตาหาการิกหนึ่งยาวะชีวิตหนึ่งลำดับดังนี้ตามบุพสิขาแต่จะกล่าวยาวะชีวิตก่อนเพื่อจะให้วินิจฉัยง่ายเพราะจะกล่าวให้พิจารากว่าบุพสิขาสักหน่อยหนึ่ง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 วัดจังว่านน้ำวัดจัดถังว่านเปราะ อ, อติวิสังอุตพิสตตุกรโรหินีพาปุสีรังแฝดพัฏะมุตตะกังแห้วหมูเป็นแฝดสิ่งใช่แต่หัวรากเถาแห่งของแฝดสิ่งนั้นอย่างเดียวหาไม่แม้ต้นและเปลือกและดอกและผลแห่งของแฝดสิ่งนั้นก็เป็นยาวชีวิตด้วย น้ำปาดเป็นยาที่ทรงอนุญาตนั้นคือนิมบะกะสาโวน้ำฝาากระเดากุตตะชะะสาโวน้ำปาดมูกมันปะโตละกะสาโวน้ำปาดกระดอมกว่าขี้กากว่าปักวะกะสาโวน้ำฝาาบราเพ็ดกว่าขี้เหล็กก็ว่านัคฆะมาละกะสาโวน้ำปาดกระถินที่มานเป็นห้าสิ่ง ใบไม้เป็นยาที่ทรงอนุญาตนั้นคือนิมบะปันนังใบกระเดากุตตะชะปันนังใบมูกมันปะโตละปันนังใบกระดองก็ว่าขี้กาก็ว่าตุลสิปันนังใบกระเภาก็ว่าแหงรักก็ว่ากัปปสิกะปันนังใบฝ้ายเป็นห้าสิ่งใช่แต่ใบแห่งของห้าสิ่งนี้อย่างเดียวก็หาไม่ แม้ดอกและผลเป็นต้นแห่งของห้าสิ่งนี้ก็เป็นยาวะชีวิตด้วยผลไม้ที่เป็นยาทรงอนุญาตคือวิลังคังลูกพิลังกาสาบิดพลิดีปรีมริจังทลิกหรฤตากีสมอไทยวิเพตกังสมอพิเภกอามาละกังมะขามป้อมโกฏะพลังผลแห่งโกฏเป็นเจ็ดสิ่ง ยางไม้เป็นยาที่ทรงอนุญาตนั้นคือหิงคุ้ยางไม้ที่ไหลออกจากต้นหิงคุหิงคุ้ฉตุยางไม้ที่เขาเอาก้านและใบแห่งต้นหิงคุมาเคี่ยวออกหิงคุสีปาติกายาที่เขาเอาใบหิงคุมาเคี่ยวออกก็ว่าและยาที่เขาเอาใบหิงคุเคี่ยวออกแล้วเจือได้ของอื่นก็ว่าตัากกังยางอันไหลออกแต่ยอดไม้ ตะกปติยางอันไหลออกจากใบไม้ตะกะปนนิยางไม้เขาขั่วใบไม้ไหลออกก็ว่ายางไม้อันไหลออกจากก้านก็ว่าสัจชุลสังกรรมยานเป็นเจ็ดสิ่งเกลือที่ทรงอนุญาต น, นั้นคือสามุติกังเกลือเกิดด้วยน้ำเข็มริมทะเลกาละโรนังเกลือดาสินทวังเกลือสินเทา ท่านว่าเกลือเกิดเริงภูเขาสีขาวอุบพิดังเกลือทำด้วยดินฝุ่นที่เค็มแตกขึ้นจากแผ่นดินวิลังเกลือวิเศษท่านว่าเกลือหุงด้วยสัมภาระทั้งปวงสีแดงก็แหนยาหกสิ่งมีรากไม้เป็นต้นพระองค์ทรงอนุญาตชี้ชื่อดังนี้แล้วต่อไปพระองค์ปรารถนาจะแสดงลักษณะแห่งรากไม้เป็นต้นอันอื่น ซึ่งไม่มาในบาลีที่เป็นยาไดา้จึงกล่าวบาลีว่ายานิวาปนัญญานิปิอัติมูลานิกสาวานิปันนานิพลานิฉตูนิโลนานิเพสัชานิเนวะขาดานิเยขาดานิยถนตนะยถังพรันติณโภชนิเยโภชนิยตถังพรันติความว่า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 ชื่อว่าเป็นเพศัตว์ในชนบทนั้นหัวรากเง้าหนอ่อลาต้นเปลือกดอกผลมเมล็ดแป้งยางแห่งต้นไม้ถาวรต้นหญ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีและเกลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีซึ่งไม่มาในบาลีและไม่สาเร็จอาหารกิจของมนุษย์ในประเทศนั้นๆชื่อว่าเป็นเพศสัตว์ในประเทศนั้นๆดังหัวกระดาษแดงหัวกระดาษขาวราตาล รากมะพร้าวใบสูใบบัวดอกบุญนาคดอกจำปาลูกจันลูกกระวานเป็นต้นเป็นเพศัตธ์ในสยามประเทศนี้คือประเทศไทยนี้แหละรากไม้เป็นต้นดังกล่ามานี้ชื่อว่ายาวชีวิตรับประเคนแล้วเมื่อเจ็บไข้ไม่สบา ย, ยอย่างใดอย่างหนึง่งฉันได้ตราบเท่าสิ้นชีพในการทั้งปวงเท้าวสายแต่เย็นนี้ฉันได้หมดถ้าป่วยนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าทาสันนิธิไว้ คือเก็บสังสมเอาไว้หรือว่าฉันในเวลาวิการเพื่อเป็นอาหารไม่ฉันเพื่อเป็นยาก็ต้องอบัตทุกกฎเพราะบาลีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเบื้องปลายทุกๆเพจนัดว่าตานิปติกขเหตตวายาวชีวางปริหาริตุงสติปัจจเยปริพุญชิตุงอสติปัจเจยปริพุญชันปัสสะอาปติทุกกะปัสสะความว่า เราตถาคตอนุ ญ, ญาตให้รับรากไม้น้ำปาดใบไม้ผลไม้ยางไม้เกลือและสิ่งลสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วบริหารรักษาไว้กว่าจะสิ้นชีพเมื่อมีปัจจัยคือมีเหตุให้บริโภคฉันเถิดเมื่อไม่มีปัจจัยคือเหตุฉันต้องทุกข์กดดังนี้แลยาวะชีวกรร จ, จกเรื่องของยาวะชีวิตก็คือพวกยานเองจัดแสดงในยาวะกาลิษ ของฉันที่มีอายุเพียงการคือเช้าชั่วเที่ยงก็คือพวกอาหารทั้งหลายเมื่อกล่าวยาวาคาลิตแล้วยาวะชีวิตก็จักรู้ด้วยอีกขาดนิยังของเคี้ยวโพชนญยังของกินชื่อว่ายาวะกาลิสโภชนะห้าก็คือข้าวสุก ข, ขนมกุมมบาทข้าวสตวูปลาเนื้อเอาสตูก็คือขนมแห้งชื่อว่าโพชนะของกิน อของควรบริโภคทั้นงนี้ยกโภชนะห้าเสียยกพวกยามาคาลิกพวกน้ําผลไม้น้ำปะนะัดสัตตหาการลิศพวกน้ํามันน้ํนนาพึ่งน้ําอ้อยต่างๆลพวกนี้แล้วก็ยาวัชีลิศก็คือพวกยาเสียอามิรนอกนั้นชื่อว่าขาธนิยะคือของควรเคี้ยวทั้งสิน้นในของเคี้ยวที่ทําด้วยปุพพานชาติคือข้าวและด้วยอัปรรณาชาติคือถั่วงา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 หัวมันออนมันอ้ อ, ม, อ, อมันกระชา่ามันแดงมันขาวเผือกผ ก, กาศเป็นต้นและมันมีใบควรต้มแกงได้ชื่อว่าเป็นคติแห่งอามิตรก็เป็นอาหารยาวกาักคลิราก่อยในหัวเผือกที่เขาตัดทิ้งเสียเป็นยาวะชีวิตก็เป็นยาแม้รากฝอยเช่นนี้อันอื่นก็ให้พึงรู้โดยในนั้นเถอ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 สำเร็เป็นของเคี้ยวของกินแห่งมนุษย์โดยเป็นอาหารปกติไม่ต้องประกอบด้วยยาวะคาลิกอื่นในชนบทนั้นนั้นหัวรากนั้นชื่อว่าเป็นยาวะคาลิกในชนบทนั้นนั้นรากหัวนอกนั้นพึงรู้ว่าเป็นยาวะชีวิตเถิดอะไรที่ก็ไม่ไดเอามากินกันเป็นอาหารนะอ น, นันตนะ์ก็เป็นยาไนดะ้ด้วยว่าแม้ถึงกล่าวไปมากก็ต้องตั้งอยู่ในลักษณะอันนี้เองครั้นยกชื่อขึ้นกล่าวเมื่อไม่รู้จัก ชื่อก็จะหลงเพราะเหตุนั้นจะไม่เอื้อเฟือในชื่อจะแสดงแต่ลักษณะอย่างเดียวในหัวมันฉันใดแม้ในเง้าไม้เป็นต้นก็พึงรู้วินิฉัยตามลักษณะนี้เหมือนกันเง้ามีสองคือยาวและกลมเง้ายาวและตั้นคือเง้าพัวหลวงและของกวาเป็นต้นเง้ากลมคือเง้าอุบลและแห้วเป็นต้นหัวเก่าและ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 เง่าบุกแดงเง่าบุกขาวเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตสงเคราะห์ในมูลเกษัรจะว่าในรากเล็กรากบัวหลวงรากบัวขาวเหมือนกันรากสับช้น้ำก็ดีรากอื่นที่สำเร็จอาหารกิจได้ก็ดีเป็นยาวะคอาลิศรากขมิน้นขิงบรเพชเพชรสังฆ่ารากมาเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตสงเคราะห์ในมูลเกษต จะว่าในหนอและยอดหนอตาลเต่าร้างจากเป็นต้นหนออ้อยหนอผักกาศหนอแห่งข้าเปลือกเจด็ดและหน่อยอดแห่งต้นไม้และเถาวัลยเป็นต้นสิ่งใดที่สำเร็จอาหารกิจได้เป็นยาวะคาลิสโคนหนอเก่าแห่งหนอขมิ้นขิงกระเทียมกรดีแห่งตาลเต่าร้างหมากมะพร้าวกรดี เป็นโคลนหน่อเก่าเขาตัดทิ้งเสียเป็นยาวะชีวิตเป็นยานจะว่าในลําต้นลําต้นขานางที่ยังลงไปในดินต้นอ้อยต้นแห่งอุบลเขียวแดงกุมุดจงกลนีและลําต้นอันใดที่สำเร็จอาหารธกิจได้เป็นยาวะอาลิกก้านใบแห่งอุบลชาติและก้านใบแห่งปฐุมชาติทั้งปวงก็ดีและลําต้นทั้งอันเศษนอกนั้น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 ใบถั่วเขียวใบถั่วขาวใบยอป่าใบตำลึงและใบอันใดที่สำเร็จอาหารตกิดได้เป็นยาวัตาลิศชาวลังกาว่าใบพรห ม, มิเป็นยาวัชีวิตใบมะม่วงอ่อนเป็นยาวัตาลิศใช้กินกน้ำทิกได้ใบมะม่วงอ่อนนี้เป็นอาหารไปใบตกอ่อนเป็นยาวัชชีวิตเป็นยาจะว่าในดอก ดอกมันอ่อนเป็นต้นและดอกผักกาดดอกยอป่ายอบ้านดอกอ่อนแห่งมะพร้าวและตาลและเกศดอกอุบลดอกบัวและดอกไม้ใดที่สำเร็จอาหารกิจได้เป็นยาวะกาลิกก็คือเป็นอาหารดอกโศกดอกพิกุลดอกบุญนาคจำปาเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตเป็นยาสงเคราะห์ในกาสาวะเพจัจะว่าในผล ผลข้าหนูสาเกตาลมะพร้าวมะม่วงชมพู่เป็นต้นและผลอื่นที่สําเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวัตาลิกเป็นอาหารผลแห่งลูกจันทร์และลูกกลายและผลที่ไม่สําเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวัชชิวิตเป็นยาไปจะว่าในเมล็ดเมล็ดสมรอและเมล็ดข้านและเมล็ดมาต่อเป็นต้นและเมล็ดอื่นที่สาเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวัตาลิกเป็นอาหาร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 แป้งตาลแป้งกรอยที่ยังไม่ได้ชมรักรด ร, ถร้อยเป็นยาวะชีวิตส่ตงเคราะห์ในน้ำาฝาและรากและผลซึ่งมาในบาลีจะว่าในยางยางอ้อยอย่างเดียวเป็นสัตหะตาลิกยางไม้นอกนั้นเป็นยาวะชีวิตสิน้นส่งเคราะห์ในชตุเพตัดหัวและเง่าเป็นต้นซึ่งเป็นยาวะกาลิก ด, ดังกล่ามานี้ส่งเคราะห์ในขาธนยิยะของกวนเคี้ยว ของคนเคียวแนะโพชนิยะของกินนี้ชื่อว่ายาวะกาลิกฉันได้เช้าทั่วเที่ยงบ่ายแล้วไปฉันเข้ากับเป็นปาจิตตีรับประเคนแฟนคืนไว้ก็เป็นสันนิธิถ้าคืนฉันก็ไปก็อบอาบตาจิตตีอีกยาวะกาลิกกะจบยาวะกาลิกพวกอาหารทั้งหลายต่อไปจะแสดงในยามะกาลิกน้าดื่มแดอย่างเรียกว่าอัฐบาล อัฐปานะก็คืออย่างแรกอัมพา ป, ปานังน้ำทําด้วยผลมะม่วงดิบหรือสุกอย่างที่สองชังผู ป, ปานังน้ําทําด้วยผลว่าก็ว่าผลชังผู้ก็ว่าอย่างที่สามโจจะปานังน้ําทําด้วยผลกล้วยมีเมล็ดอย่างที่สี่โมจะปานังน้ําทําด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด อที่ห้ามะทุปานังน้ำทำด้วยชาติรสแห่งมะตางอย่างที่หกก็มุดิกะปานังน้ำทำด้วยผลจันก็ว่าผลอุ่นก็ว่าอย่างที่เจ็ดก็สารุ ก, กะปานังน้ำทำด้วยรากเง่าแห่งอุบลแดงอุบลขาวเป็นต้นอย่างที่แปดารุสกะปานังน้ำทำด้วยมะปรางก็ว่าลินจีก็ว่าอัฐบาลคือน้ำดื่มแปดอย่างนี้ชื่อว่ายามะตาลิก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 เข้าด้วยแล้วทำเถิดทำเองควรในปุเรพัทคือเช้าอย่างเดียวแต่อนุสัมบัญทำได้มาพระประเคนในปุเรพัทแม้บริโภคกับอา m i ต h ในปุเรพัทก็ควรในปัจฉพัทควรบริโภคปรับจากอา m i ต h ตราบเท่าอารุณขึ้นมาในน้ําชมพูเป็นต้นก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่มัทุ ป, ปานะทําด้วยมารซางนั้นเจือด้วยน้ำท่าจึงควร แต่น้ำมาซางล้วนไม่ควรต้องเจือน้ำนะก็เป็นมะถูปานะทำได้มาซางด้วยในอัตถกถาว่ามะุูปานันติมุติกานังชาติรเสนะกะตะปานังตังปะนะอุตจักสมพินนังวัตติสุดทางนวัตติดังนี้มุติกะปานังโบราณว่าน้ำลูกจันแต่ชาวลังกาว่าน้ำลูกองหุนถ้าเป็นน้ำลูกองุ่นแล้วไซคควรแต่น้ำสด น้ำอางวลเช่นชาวยุโรปมีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นต้นเขากินอยู่เป็นเมรยัยไม่ควรควรแต่น้ำสดสมกับคำในอัตฉริยว่ามุติกาปานันติมุติกาอุดเกมัดดิตตวาอัมภะปานังวิยะกะตะปานังดังนี้อัิบาเหล่านั้นแม้เย็นหรือสุกด้วยแสงอาทิตย์ควรอยู่ตกด้วยไฟไม่ควร แต่ว่าท่านก็ไม่ได้แสดง อ, อับัตเอาไว้ท่านเพียงแต่บอกว่าไม่ควรเพราะว่าอันนี้เป็นคำของอัตถกถาถ้าเป็นการบอกว่าไม่ควรแต่ว่าเป็นพระบาลีพุทธพจน์ตรัสไว้ถ้าไม่ควรที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นถ้าล er ่วงละเมิดเป็นอบัตทุกกดอัตถกาถาก็แสดงว่าเป็นอบัตทุกกดแต่ว่าถ้าไม่ควรของอัตถกถานี่ท่านดีกาการก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอับัตทุกกดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าไม่เหมาะสมไม่ควร อันึพระองค์ทรงอนุญาตว่าอนุชานามิพิกเวข้อความละสับบางภะละพระสังทเปตวาธัญญาภละพระสังอนุชานามิพิกเวข้อความละสับบางปัตะละสังทเปตวาดาการะสังอนุชานามิพิกเวข้อความละสับบางปุพะระสังทเปตวามะทุกกะปุกผะระสัง อนุชานามิพิทเวเพราความละอุดชุรสังความว่าเราตถาคตอนุญาตรถแห่งผลไม้ทั้งปวงยกเสียแต่ผลข้าเปลือกเจ็ดเสียอันหนึ่งเราตถาคตอนุญาตรถแห่งใบไม้ทั้งปวงยกรถแห่งผักสุกเสียอันหนึ่งเราตถาคตอนุญาตรถแห่งดอกไม้ทั้งปวงยกแต่ดอกมาต่างเสียอันหนึ่งเราตถาคตอนุญาตรถแห่งน้ำอ้อยสด ค้อซึ่งอนุญาตรถแห่งผลทั้งปวงยกแต่รถแห่งผลข้าวเปลือกเสียนั้นจักรู้แจ้งในมหาประเทศสี่ข้างหน้ารถของข้าวเปลือกนึ้เป็นอาหารข้อซึ่งอนุญาตรถใบไม้ทั้งปวงยกแต่ใบผักตกเสียนั้นด้วยว่ารถแห่งใบไม้ที่เป็นยาวะกาลิ ค, ควรแต่ปุเรพักอย่างเดียวรถแห่งใบไม้ที่เป็นยาวะชีวิต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 ถึงซึ่งเรียกว่าเป็นรถแห่งใบผักสุกแต่ในอัตถิฐานกุรัทีกล่าวว่ารถก็คือน้ําแห่งใบไม้แม้เป็นยาวัตาริศเขาขยันด้วยน้ําเย็นทรมมาหรือให้ตุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ดีควรอยู่ข้อซึ่งอนุ ญ, ญาตรถแห่งดอกไม้ทั้งปวงยกรถแห่งดอกมะาาเสียนั้นรถแห่งดอกมะซ า, าจะสุกด้วยไฟหรือว่าสุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ตาม ไม่ควรในปัจฉาพัดรมสมะซางอันใดที่สุกแล้วเขาถือเอาทำเป็นน้านเมารถนั้นแต่เดิมไปแม้ในกรีพัดก็ไม่ควรกันทำเป็นน้ำเมาแนะแต่ดอกมะซางจะสดหรือว่าแห้งหรือว่าเขาขั่วแล้วกว็ดีหรือว่าผานิดน้ำตาไเลยนะเขาทำด้วยดอกมะซางหรือดอกมะซางแผ่นแต่จิงใดไป เขาไม่ได้ทําน้ําเมาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมควรในปุรีพัดอย่างเดียวน้ําอ้อยสดซึ่งทรงอนุญาตนั้นไม่มีกาควรในปัจฉาพัดพระองค์เมือ่อทรงอนุญาตปานะน้ําดื่มพระองค์ได้ทรงอนุญาตรดแห่งผลและใบและดอกและอ้อยสี่นี้ด้วยด้วยประการดังนี้ในดีกาวิมติวิโนทนีว่าซึ่งกล่าวน้ําอ้อยสดไม่มีกา ในยามะกาลิ ก, กถานั้นกล่าวโดยสามัญว่าเป็นของจะพึงเดิมแต่ให้พึงถือเอาว่าน้ำอ้อยตดนะั้นเป็นสัตต า, ากาลิกเถิดน้ำอ้อยสดนี้ก็มีอายุได้เจ็ดวันนะเป็นสัตต า, ากาลิกไม่ใช่เป็นยามะกาลิกแต่ว่าก็เอาไว้ดื่มได้เหมือนกันแต่ว่าได้เจ็ดวันเลยยามะกาลิกนี้รับประเคณแล้วฉันได้แต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอรุณใหม่ขึ้นมาเป็นสันนิธิฉันเป็นทุกกด ถ้าอารุณขึ้นมานี่ก็เป็นฉั น, นทิศแต่ว่ายังไม่มีอบัตถ้ า, ามาชันนี่ก็อัปบาททุกกฎแต่ว่ามันยังไม่ได้ขาดสะเทนเพราะนั้นก็มีอัปบาททุกกฎยามาการิ ก, กังจบวันนี้ก็สมควรแต่เวลาเดี๋ยวสัตาหการิกเอาไว้ตอนวันรุ่งขึ้นไปแล้วกันก็ฝ่ายท่านได้มีอุปริสัยในการที่จะเอื้อเฟื้อต่อพระวินัยบัญญัติเกื้อกูลแก่การที่อบรมตรายศึกษาเพราะว่าติ่มก็เป็นบาทแห่งสมาธิ สมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาเ็ก่อขอให้ตรสิกขาประชุมพร้อมในจิตใจของท่านเพื่อความบริบูรณ์คือความสมัครคีแห่งอริยมรรอยงแปดด้วยควารตรัสรู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคาร น, นิเนินช้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ